ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตฉบับสมบูรณ์ภาคประวัติหลักตอนที่8ร่วมจัดทำโดยเพลินพิษพระโพวันสุดาบัวจูมวโรดมแก้วกล่ำและเพื่อนๆนครอบครัวธีรกุลพิสุดครอบครัวลิมสิทธิกุลและครอบครัววิสุทธิกุลพุทธศักราช2480ันจำพรรษาที่พระาธาตุจอมแจ้งอาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย การบำเพ็ญประโยชน์แก่พวกอยู่ในป่าดงอันเป็นทินที่แสนจะกันดานและต่างภาษานั้นยากนักในสมัยนั้นการไปไหนตละแห่งต้องใช้การเดินใช้เวลาลหลายวันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็การอยู่กับพวกชาวเขาเผ่าหนึ่งคือมูเซอร์ท่านก็ได้อาศัยพวกเหล่านี้อยู่จำพรรษาท่านเล่าว่าก็ อ, อัศจริ์พวกนี้อยู่อย่างหนึ่ง คือมีพวกมิจนารีที่เป็นบาทหลวงขึ้นไปแนะนําให้เขานับถือคริสตางคคริสเตียนมีหลายพวกหลายครั้งที่พวกบาดหลวงเหล่านั้นไปสอนทั้งแจกสิ่งของมากมายแต่พวกนี้ก็ไม่ยอมจะเข้าศาสนากับพวกนั้นเลยครั้นเมื่อประสงค์ในพระพุทธศาสนาไปอยู่พวกนี้จะทําบุญด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าอยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะพวกนี้นับถือพูดผีปีศาจอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามพวกช า, าวเขานี้จํานวนมากทั้งเชียงราเชียงใหม่คณะของพระอาจารย์มั่นได้ไปช่วยแนะนําสั่งสอนพระพุทธศาสนาไว้เป็นพื้นฐานมากทีเดียวจึงเป็นนิสัยติดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นับเป็นการปูพื้นฐานการนับถือพระพุทธศาสนาแก่ช า, าวเขาเผ่าต่างๆไว้แล้วตามสมควรซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีใครสนใจช า, าวเขากันเลย จากการจำพรรษาบนภูเขาออกพรรษาแล้วท่านก็ลงจากภูเขาแต่คงอยู่ในอำเภอนี้ต่อไปท่านเล่าว่าในเขตเชียงใหม่เชียงรายนี้มีวัดเก่าๆที่สร้างตามภูเขาเล็กๆหรือท้องที่ต่างๆมากทีเดียวเฉพาะที่อำเภอแม่สวยมีวัดร้างอยู่ถึงสอง้อยกว่าวัดอันนี้ก็แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมในอดีตของคนภาคนี้ จากปรากฏการ์ที่เป็นวัดร้างจำนวนมากนั้นทำให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าการที่ประชาชนในการก่อนแม้ความเจริญในทางวัตถุต่างๆยังไม่มากทำไมถึงมีความศรัทธาอย่างยิ่งได้สร้างวัดมากเช่นนี้ก็เป็นการแสดงถึงความสามารถอันเกิดขึ้นจากศรัทธาเป็นการรวมพลังทำให้เกิดวัตถุภายนอกขึ้น เพราะวัดต่างๆจะเกิดขึ้นได้นั้นมีใยง่ายต้องเสียสละร่วมกันทั้งกำลังกายและกำลังความคิดกำลังทรัพย์จึงจะเกิดขึ้นได้กำลังศรัทธาจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยความสามารถของผู้นําจึงจะเกิดขึ้นและเป็นพลังได้แสดงว่าก่อนนี้ทางภาคเหนือได้มีพระสงฆ์จานวนไม่น้อยและมีความสามารถมากทีเดียวที่ได้เป็นผู้นาสร้างวัดขึ้น แต่ละวัดนี้จะขาซสีไม่ได้คือพระทาตตามภาษาพื้นเมืองนั่นคือเจอดีที่เราเรียกกันทั่วไปที่เรียกว่าพระาธาตุจอมแจ้งนั้นก็เป็นวัดเก่าวัดหนึ่งในจำนวนหลายร้อยวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เลือกจำพรรษาในปีพุทธศักราช2480นี้แต่ท่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะรื้อฟื้นวัดร้างนี้เพื่อให้เป็นวัดที่เจริญขึ้นใหม่อีก เพียงแต่เห็นว่าเป็นสภาพที่สงบสงัดสมควรแก่การที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้และสมควรที่สิทิติดตามจะได้ใช้สถานที่เหล่านี้บำเพ็ญกรรมฐานได้ดีเท่านั้นแต่ท่านไดใ้ให้ความเห็นแก่ผู้เขียนในการที่วัดร้างนี้ว่ามันเป็นการดีอย่างหนึ่งคือเป็นที่น่ากลัวแก่บุคคลผู้ยังมีกําลังใจอ่อน เราวัดนั้นได้ชื่อว่าต้องมีคนตายที่ต้องมาอาศัยฟังบ้างเผาบ้างโดยเฉพาะสมภารก็ต้องทำกันเออกระเลิกพิสดารทั้งเชื่อว่าวิญญาณเมื่อเข้าใจเอาว่าเป็นผีมันต้องอาศัยอยู่ที่วัดร้างเหล่านี้มีมากกว่าแห่งอื่นๆดังนั้นจึงเกิดความหวาดเสียวที่เป็นนิสัยของคนไทยทำให้นึกถึงว่าวัดร้างนั้นน่ากลัวมาก จึงเป็นเหตุให้ผลดีแก่นักปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งทำให้จิตใจของบุคคลผู้เข้ามาอยู่วัดร้างบังเกิดความหวาดเสียวตามนิสัยแห่งความเชื่อถือและเป็นผลทำให้เกิดความสงบเงียบในใจขึ้นได้เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าโดยส่วนมากท่านพระอาจารย์มั่นไม่ใกลจะจำพรรษาแห่งเดียวละหลายปี จะมีมากอยู่ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเท่านั้นเพราะระยะนั้นท่านก็ชราภาพลงมากแล้วการที่ท่านต้องเปลี่ยนที่อยู่เสมอนั้นท่านมีความประสงค์อยู่สองประการคือหนึ่งท่านต้องการมิให้เป็นการติดถิน2ท่านต้องการฝึกฝนลูกศิษย์ที่เป็นพระภิกษุสัมเนนเพราะท่านได้กล่าวอยู่เสมอว่า พระเนนมีความสําคัญมากในเมื่อมีเหตุอันหนึ่งอันใดเกี่ยวกับพระเนนท่านจะให้ความสําคัญหรือถือว่าเป็นกรณีพิเศษไว้เสมอเกี่ยวกับการเอาอกเอาใจท่านถือเอาพระเนนเป็นที่หลักก่อนเสมอตามที่ผู้เขียนได้ติดตามท่านอยู่ระยะหนึ่งนั้นก็ทราบเรื่องนี้ดีซึ่งท่านได้แย้มให้ผู้เขียนฟังเสมอๆว่าการฝึกฝนพระให้ได้รับประโยชน์องค์เดียว เท่ากับได้โยมเป็นร้อยเป็นพันคนเพราะว่าพระนี้เมื่อได้รับการฝึกหัดจนเป็นอาจารย์ได้แล้วจะเป็นผู้ไปสอนผู้อื่นได้อีกมากท่านจึงสนใจและตั้งใจฝึก ฝ, กฝนพระเนนเป็นพิเศษซึ่งต่างกับอาจารย์อื่นๆที่กําลังให้ความสำคัญแก่โยมหรืออุบาสกอุบาสิกามากกว่าพระเนนในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตลอดถึงการต้อนรับโอภาปราศัย ถือเอาโยมเป็นกรณีพิเศษไปเสหมดเลยทำให้พระเนนชักเจระอาครูบาอาจารย์มากขึ้นโดยเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ตนหรือท่านปล่อยเวลาต่างๆไปสอนอยู่ที่โยมเสียส่วนมากขาดการเอาใจใส่พระเนนจึงทำให้พระเนนนั้นกลับมาเป็นอาจารย์ในภายหลังน้อยลงทุกวันทุกวัน สำหรับพระอาจารย์มั่นสิทธิที่เป็นพระก็กลับมาเป็นอาจารย์สิทธิที่เป็นสามเณรก็บวชพระกลับมาเป็นอาจารย์รู้สึกว่าเกือบทั่วประเทศไทยที่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นที่ท่านเหล่านั้นได้เดินทางไปประกาศสัจธรรมนี่ก็เป็นผลงานของพระอาจารย์มั่นที่ควรจะได้เป็นตัวอย่างทั้งเตือนสติให้ระลึกถึงว่าผู้เป็นพระอาจารย์ทั้งหลาย ควรจะกลับมาให้ความสำคัญแก่พระภิกษุสามเณรมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะบางทีพระอาจารย์บางองค์ก็เข้าใจว่าเมื่อมีโยมมากขึ้นนับถือมาหามากๆเข้าก็เข้าใจว่าเป็นการดีเป็นเรื่องของคุณธรรมที่สูงจึงมีคนมากประชาชนเขาจึงมาหามากอะไรท่านองนี้เกิดความเข้าใจผิดในตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความสำคัญผิดในพระภิกษุสามเณรอันควรจะได้ใช้เวลาฝึกฝนผู้ซึ่งควรเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในระยะนี้ต่างก็เป็นที่ ท, ทราบถึงเกียรติคุณของพระอาจารย์มั่นมากขึ้นตามลำดับในหมู่ของพระภิกษุสามเณรจึงได้พยายามที่จะติดตามท่านเพื่ออยากเห็นและอยากฟังเทศท่านบาง หรืออยากอยู่ปฏิบัติอยู่กับท่านโดยเฉพาะในหมู่พระภิกษุสมณีนมีมากพอสมควรมีบางองค์ก็ได้ยอมเสียสละส่วนอื่นๆน้อมตนเข้าปฏิบัติธรรมกันจึงปรากฏว่ามีการเดินทุดงซึ่งหมายความว่าไปหาสถานที่วิเวกมิใช่ไปสแสวงหาความคลังอย่างอื่นเพราะปรากฏว่ามีการทุดงเพื่อสแสวงหาอะไรไม่ทราบที่แฝงอยู่เบื้องหลัง หวังจะเอาการแบกหกรดห่มผ้าดำนำพักพวกจำนวนมากหาทางให้มันดังจนเป็นข่าวถึงกับทั้งราชการออกประกาศห้ามปักโลดที่โนนที่นี่ที่เป็นเรื่องไม่ใกล้จะถูกต้องการรวมตัวของสิทธิ์มากขึ้นทําให้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านใครครวรพิจารณาถึงความเป็นไปต่างต่างของคนภาคเหนือซึ่งระยะบสองปีนี้ ก็เป็นการศึกษาถึงนิสัยใจคอตลอดอุปนิสัยวาสนาได้เป็นอย่างดีท่านได้เคยพูดกับผู้เขียนอยู่เสมอว่าคนเมืองเหนือนี้ใจอ่อนศรัทธาในพระพุทธศา ส, สนาก็ดีแต่การที่จะยอมเสียสละบวชอุทิศตนต่อการปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นมีน้อยมาก12ปีของการอยู่ภาคเหนื อ, อยังไม่เห็นใครจะมาบวชและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังสักองค์เลย ซึ่งตรงกันข้ามกับคนภาคอีสานยังมีคนบวชแล้วตั้งใจเด็ดเดี่ยวมีอยู่มากจนถึงมีศรัทธาความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของการปฏิบัติแม้จะได้เรียนจากเราปฏิบัติกันอย่างจริงมาแล้วก็ตามยังได้พากันติดตามมาหาเราถึงจังหวัดเชียงใหม่การมานั้นไม่ใช่เพื่อหวังประโยชน์อะไรอื่นนอกจากจะมาหาทางแก้ไขในเรื่องของการปฏิบัติธรรมกันทั้งนั้น คนทางตะวันออกเฉียงเหนือจึงถือได้ว่าเป็นคนที่มีความบึกบืนเป็นเยี่ยมแม้ว่าจะมีปัญญาค่อนข้างทึบอยู่เป็นส่วนมากบรรดาผู้ที่มาฝึกฝนอยู่กับเราที่ติดตามมามากขึ้นทุกทีนี้เองทำให้คิดถึงว่าเราอาจจะต้องกลับไปทางอีสานอีกแต่ในขณะนี้ก็ใครจะทำประโยชน์ให้แก่คณะบ้างตามสมควร จึงพยายามหาทางปลุกนิสัยบุคคลให้เข้าใจถึงการปฏิบัติ จ, จิตใจทั่วไปทุกคนทุกแห่งตามที่ท่านเดินทางไปพร้อมทั้งบอกให้คณะสิทธิ์ที่มีความรู้พอสมควรเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อหาทางฝึกปลือชาวบ้านให้เข้าใจถึงความจริงในการปฏิบัติธรรมตลอดถึงเจรณะที่พึงอันสมควรทั้งเหตุผลของพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะได้มาแก้ความงมงายต่างๆที่พากันเชื่อผิดๆและการนี้ก็ได้ผลคือทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องขึ้นมากเนื่องจากตามชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญขาดผู้ที่มีความรู้จีแจงแนะนำก็จำต้องยอมเพื่อบางสิ่งบางอย่างอันอาจจะทำให้เขาสำเร็จผลงานที่ตั้งใจไวอันความจริงความสำเร็จผลงานนั้นมันก็จะสาเร็จอยู่แล้ว แต่พระเอิญประจวบ ก, กับที่เขาบูชาเส้นสวงในสิ่งที่เขาบูชาเชื่อถือพอดีก็จึงทำให้เกิดความเชื่อขึ้นซึ่งเป็นการแก้ายากมากแต่เมื่อเขาได้มารับรดพระธรรมพร้อมกับการปฏิบัติธรรมคือการบาเพ็ญจิตให้สงบบังเกิดผลอันเป็นภายในเขาแล้วทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองครั้งแล้วเราก็แนะนาธรรมะ ต, ต่างๆเพิ่มเติม ก็จะบังเกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดผลในการเผยพระธรรมะได้เป็นอย่างดีการไปทำความเพียรกรรมฐานตามที่ต่างๆก็ดีการออกไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนประชาชนตามหมู่บ้านนั้นๆก็ดีท่านจะมีเวลานัดให้ไปรวมกันเมื่อถึงเวลาคือหากได้ไปทำประโยชน์ตนและบุคคลผู้อื่นพอสมควรแล้ว ในระยะเป็นเดือนจะนัดไปประชุมการที่แห่งใดแห่งหนึ่งพระเทรานุเทระที่เป็นสิทธิของท่านที่ไปทำงานนั้นๆมาแล้วก็จะมาเล่าความเป็นไปหรือสิ่งที่ประสบมาเพื่อการแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆปรับปรุงการสอนให้ถูกต้องซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่ต้องให้เสียเวลาที่จะต้องตามไปบอกองนั้นองนี้การดาเนินการสอน เป็นไปในแนวเดียวกันทั้งสิ้นเพราะการประชุมปรับความเข้าใจและมีท่านเป็นประธานที่เคารพสูงมีความรู้สูงการกระทําเช่นนี้ท่านเล่าว่าเพื่อเป็นประโยชน์ตนและบุคคลอื่นแต่ก็พยายามที่จะสแสวงหาสถานที่สงบเป็นสาคัญเพราะในขณะที่จะฟื้นฟู ก, การปฏิบัติธรรมให้หนาแน่นยิ่งขึ้นและการแก้ไขสิ่งที่ปฏิบัติ เป็นไปเพื่อความงมงายทั้งฝ่ายคารวาดและบรรพชิตพุทธศักราช 2,481 ถึง 2,482 จำพรรษาวัดจดีหลวงจำพรรษาที่แม่คอยอําเภอรพร้าว ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเรามาอยู่เชียงใหม่โดยเฉพาะได้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในป่าเป็นส่วนมากเรามีที่กวนแกการวิเวกมากผลจากการพิจารณาถึงความเสื่อมความเจริญของพระพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติทางกรรมฐานก็ปรากฏชัดแก่ท่านเป็นอันมากครั้งหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในอรัญญวิเวกธรรมนิมิตได้ปรากฏแกท่านว่า เราได้เดินไปตามทางซึ่งทางนั้นโล่งเตียนสะอาดขณะที่เราเดินไปนั้นปรากฏว่ามีพระภิกษุสามเณรเดินตามท่านมาเป็นนันมากดูเป็นแถวยาวเหยียดเมื่อเดินไปและเดินไปก็ปรากฏต่อไปว่าพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นเป็นพระเทระผู้ใหญ่และผู้น้อยต่างก็เดินไปคนละทางบางก็แยกทางไปทางซ้ายบางก็แยกไปทางขวา บางก็ล้าหน้าเดินไปอย่างไม่เกรงใจดูพลุกพล่านไปผู้เขียนเกิดความสนใจในธรรมนิมิตนี้มากจึงได้ถามท่านว่าธรรมนิมิตนี้หมายถึงอะไรท่านตอบว่าก็พิจารณาเอาเองสิผู้เขียนได้ถามท่านตอบไปว่ากระผมเองไม่สามารถจะเข้าใจได้ลึกซึ้งและการตีความหมายอาจจะไม่ตรงจุดสําคัญจึงขอให้ท่านอาจารย์จงได้กรุณาไขปัญหานี้ ให้แก่กระผมด้วยเมื่อท่านได้ถูกผู้เขียนรบเราขอให้อธิบายธรรมนิมิตนี้แล้วท่านก็จึงเริ่มที่จะอธิบายว่าในการต่อไปข้างหน้าจะมีผู้นิยมการทำกรรมฐานภาวนากันมากขึ้นกับจะมีการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนากันมากการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนานั้นก็จะมีทั้งคุณภาพและไม่มีคุณภาพ คือต่างก็จะสอนไปตามความเข้าใจของตนจนถึงกับนำเอาการตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนาบางหน้าแล้วก็ดำเนินการไม่บริสุทธิ์ด้วยประการต่างๆผลที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นผลเท่าที่ควรแต่บางพวกก็ดีเพราะยังเดินตามเราอยู่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้วิเศษแต่การดำเนินของเรานั้นได้ทาไปโดยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งเพื่อความพ้นทุกข์โดยปฏิปธานนี้ก็ทำให้ได้ผลทั้งตนเองและสิทยาานุสิ์ตลอดมาการต่างคนต่างตั้งตนเป็นอาจารย์นั้นย่อมทำให้เสียผลเพราะทำให้เกิดความลังเลแก่ผู้จะเข้ามาเรียนกรรมฐานภาวนาว่าจะถืออาอาจาย์ไหนจึงจะถูกนี่คือการแก้ธรร ม, มานิมิต ท, ที่พระอาจารย์มั่นท่านแสดงแก่ผู้เขียน และผู้เขียนก็ล่วงการผ่านวัยมาบัตนี้ก็ได้38พรนษาแล้วนับแต่บวชมาคือในขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับก็พิจารณาตามธรรมนิมิตของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นก็เข้าเข้าขึ้นมากทีเดียวในปัจจุบันเมื่อผู้เขียนบวชเป็นสา ม, มเณรอายุ 16-17 ถึงปีนั้นก็จำความได้ว่ายังไม่มีการนิยมเรียนและสอนกรรมฐานภาวนากันเท่าไรเลย หาคนจะมาสนใจเรียนสมาธิก็แสนยากแม้อาจารย์จะสอนเป็นล่ําเป็นสันก็แสนยากจะมีก็แต่ลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นนี้เท่านั้นที่ออกทุดงและถือโอกาสแนะนําสั่งสอนประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิภาวนาตัวผู้เขียนเองก็ได้มารับการฝึกอบรมสมาธิภาวนากับศิษย์ของพระอาจารย์มั่นเช่นกัน ท่านผู้นั้นคือพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยในขณะนั้นผู้เขียนอายุเพียงส3าปีเท่านั้นและรู้สึกว่ามีสิทธิของท่านพระอาจารย์มั่นเจนกับพระอาจารย์กงมาซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจำนวนหลายองค์ที่ท่านได้กรุณาออกแนะนำสั่งสอนประชาชนในเรื่องของกรรมฐานภาวนาและก็ได้ผลมากเป็นการเปิดสกราชของการปฏิบัติธรรมขึ้นอย่างกว้างขวาง จนปรากฏว่าทุกภาคของประเทศไทยจะได้เป็นผู้รับการอบรมการปฏิบัติธรรมสายพระอาจารย์มั่นผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะประชาชนทั่วไปยังไม่เคยได้รับรสพระธรรมอันทราบซึ้งเช่นนี้เมื่อได้รับก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นและกระจายกันทั่วๆวไปจนปรากฏเป็นวัดป่า อันเป็นแหล่งของการทำกรรมฐานทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้เขียนคิดว่านี้เองเป็นต้นเหตุของการเกิดขึ้นซึ่งพระอาจารย์กรรมฐานเรามาคิดว่าเป็นการที่ถูกต้องแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญกรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกก็เช่นกันและผู้ต้องการสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ก็ต้องทํากรรมฐานและสรงตรัสสันเสริญผู้ทํากรรมฐานจึงเป็นการถูกต้องที่ผู้บวชเข้ามาแล้วจะต้องทําเช่นนี้ทรงตําหนิผู้ที่ไม่ทํากรรมฐานว่าเป็นเพียงลูกจ้างเฝ้าศาสนาการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่เจริญขึ้นในประเทศไทยจะด้วยเหตุใดก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นการดีมาก เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนามากถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบัติผิดนอกรีดนอกรอยไปก็จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายอะไรมากนักแต่ว่าควรจะได้ปรับปรุงและพยายามที่จะดำเนินการปฏิบัติธรรมไปโดยความบริสุทธิ์ใจก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งครั้นเมื่อหวนระลึกถึงธรรมนิมิตของท่านพระอาจารย์มั่น ผูริทตะเทระก็ทำให้เป็นห่วงถึงบุคคลที่ดำเนินการปฏิบัติกรรมฐานโดยความไม่บริสุทธิ์ใจที่จะทำให้เกิดความไข้เขวแต่จะอย่างไรก็ตามพุทธบริษัทก็คงจะมีปัญญาพิจารณาโดยตนเองแล้วก็ใช้โยนิโสไรครวนก็อาจจะรู้ความถูกและผิดด้วยตนเองไม่ยากหนักในระยะนี้ พระอาจารย์เทศเทสะรังสีได้อยู่กับท่านอย่างใกล้ชิดตลอดเวลากับได้พยายามที่จะอาราธนาให้ท่านกลับทางภาคอีสานเพื่อจะได้แนะนำธรรมะปฏิบัติแก่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านจานวนมากที่ไม่สามารถจะตามมาหาท่านที่เชียงใหม่นี้ได้ท่านอาจารย์เทศได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆเป็นต้นว่านับแต่ท่านอาจารย์ได้มาอยู่ที่ภาคเหนือถึงเป็นสิิปี ยังไม่ปรากฏว่ามีนักบวชชาวเหนือสนใจและตั้งใจปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างจริงจังแม้แต่องค์เดียวมีแต่ท่านอาจารย์ปฏิบัติได้รับความวิเวกเฉพาะองค์เท่านั้นและบัดนี้ก็เป็นเวลานานสมควรแล้วที่ท่านอาจารย์ได้รับผลทางใจซึ่งควรที่จะกรุณาแก่นักปฏิบัติที่กําลังเอาจริงเอาจังอยู่ทั้งภาคอีสานกระผมเองก็ยังคิดถึงหมู่คณะ ที่ควรจะได้รับอุบายการปฏิบัติของท่านอาจารย์และคิดว่าจะเป็นประโยชน์จริงๆเมื่อท่านได้รับการแนะนำอารัธนาของท่านอาจารย์เทศอย่างนี้แล้วประกอบกับพิจารณาเห็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาท่านจึงตัดสินใจที่จะกลับภาคอีสานหลังจากท่านเข้ามาจําพรรษาที่วัดเจดีหลวงอีกครั้งโดยต้องการจะสงเคราะห์ชาวเชียงใหม่แล้วท่านก็นึกถึงสถานที่วิเวก ทางแม่คอยอําเภอรพร้าวก็วกเข้าไปวิเวกจำพรรษาอยู่ที่นั่นเมื่อท่านอาจารย์เทศได้ทาบถามเพื่อที่จะให้ท่านกลับภาคอีสานและแน่ใจพอสมควรแล้วท่านก็มีจดหมายไปถึงท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลเจ้าอาวาสวัดโพ ธ, ธิสมพรซึ่งเป็นความประสงค์อย่างยิ่งของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีที่จะให้ท่านพระอาจารย์มั่นกลับภาคอีสาน เมื่อได้รับจดหมายของท่านอาจารย์เทศก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งออกพรรษาของปีพุทธศักราช2482ท่านเจ้าขุนธรรมเจดีก็ขึ้นไปเชียงใหม่ด้วยตนเองโดยไปพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงมีความกระหายที่จะได้พบพระอาจารย์มั่นท่านเจ้าขุนธรรมเจดีนี้ แต่ครั้งเป็นสมณีนได้มาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเป็นสามณีนโครงคือเป็นเนนใหญ่ได้ทาการปลูกมะพร้าวเป็นอันมากให้แก่วัดนี้และเป็นสามณีนที่ว่านอนสอนง่ายทั้งฝ่ายพระอาจารย์มั่นเมื่อทราบว่าสิทธิคนโปรดคือเจ้าคุณธรรมเจดีมาท่านพระอาจารย์มั่น ก็ลงจัดดอยเดินทางมาพบกับท่านจ้คุณธรรมเจดีที่วัดเจดีหลวงท่านจ้คุณธรรมเจดีก็เข้าไปกราบอารัธนาให้เดินทางกลับภาคอีสานท่านก็รับที่จะเดินทางไปตามความประสงค์เป็นนั้นว่าส2องปีของการอยู่ภาคเหนือของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระโดยเฉพาะเชียงใหม่ก็เป็นอันสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลเป็นไปตามสมควร นักปราดผู้ฉลาดเมื่ออยู่ในสถานที่แห่งใดย่อมทำประโยชน์แก่สถานที่แห่งนั้นแม้ประโยชน์ส่วนอื่นยังไม่ปรากฏแต่ก็ได้เกิดเป็นวัดป่าขึ้นตามสถานที่ที่ท่านได้พักจำพรรษาและไม่จำพรรษาเป็นจานวนมากในปัจจุบันยิ่งในขณะนี้เมื่อทราบว่าเป็นแหล่งสถานที่ของท่านได้อยู่อาศัยแล้วพระภิกษุและประชาชนจะได้พยายามที่จะทาให้เป็นวัดป่าขึ้น เรียกว่ามีผลระยะยาวทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านได้ปลูกฝังการปฏิบัติที่ถูกต้องและได้ผลจริงให้แก่สิทธิของท่านกับทั้งสิทธิของท่านก็ได้ปฏิบัติจริงได้ผลและสั่งสอนผู้อื่นจนเกิดผลได้จึงเท่ากับเป็นการยกย่องเกียรติคุณของท่านไปด้วยปรากฏการเช่นนี้ควรจะได้เป็นแบบอย่างแก่พระอาจารย์ทั้งหลาย ที่หวังความเจริญของพระพุทธศาสนาจะได้จดจำและหาทางดำเนินตามก็จะเป็นผลดีแก่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งการเดินทางกลับภาคอีสานของพระอาจารย์มั่นครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจัดบริคารแปดของพระธุดงค์จะพึงมีเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จท่านเจ้าขุนธรรมเจดีได้ลงหน้ากลับมาก่อนแล้ว ท่านก็ประกาศให้สิทธิผู้เคยปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านให้ทราบบางองค์ก็อยู่บางองค์ก็กลับตามท่านไปท่านเล่าว่าขณะที่โดยสารรถไฟไปนั้นท่านได้พิจารณาไปด้วยทำสมาธิเป็นการภายในแม้จะพูดจะมองดูอะไรต่างก็ให้จิตเป็นสมาธิมีสติท่านได้เล่าเสริมว่าเราโดยสารรถไฟคราวนี้ กำหนดจิตจนปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นรถไฟหรือตู้โบกี้ตู้ไหนมันกำลังวิ่งและกาลังเสียสีมีเสียงอย่างไรไปถึงไหนไม่ปรากฏทั้งนั้นจิตได้เข้าสู่ความปกติการเดินทางเป็นวันเป็นคืนเหมือนชั่วขณะเดียวและสบายมากมีความเบาหลังจากลงจากรถไฟแล้วก็ไม่เสียกำลังทำเหมือนกับว่าอยู่ในป่าฉะนั้น ผู้เขียนได้ฟังความข้อนี้แล้วรู้สึกเคารพและเลื่อมใส ย, ยิ่งที่ท่านได้กระทําความเพียรอยู่ทุกเมื่อแม้จะเดินทางโดยรถไฟท่านก็ไม่ละความเพียรผู้เขียนฟังขณะที่ท่านเล่าโดยความเป็นกันเองเช่นนี้ทำให้เกิดความระวังตนเองขึ้นมากและมาได้ความคิดว่าการทําความเพียร น, นี้เป็นอากาลิโกจริงๆคาสอนของพระพุทธเจ้าในคานี้ คือไม่เลือกการเลือกเวลาสามารถจะบำเพ็ญจิตได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปีนี้เมื่อท่านมาถึงกรุงเทพได้พักอยู่ที่วัดบรมนิวาสเป็นการชั่วคราวและผู้ที่ขอร้องท่านให้ไปอยู่เชียงใหม่คือท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปมาจารย์สิริจันโทจันเ จ, จ้าอาวาสวัดบรมนิวา ก็ได้มรณภาพไปแล้วก็เพียงได้พบกับท่านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาดแทนสําหรับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นี้ก็มีความเลื่อมใสในตัวของท่านพระอาจารย์มั่นมากเนื่องจากได้เคยอยู่ร่วมกันที่วัดบรมนิวาสแต่ก่อนได้เห็นเจริยวัดของท่านและท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ได้กล่าวสรรเสริญไว้มาก เมื่อได้มาพบกันอีกครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันงามที่จะได้ไถ่ถามข้อปฏิบัติธรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางของการปฏิบัติจิตต่อไปเหตุนั้นขณะที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่วัดบ ร, รมนิวาสสมเด็จท่านจึงถือโอกาสสนทนาธรรมปฏิบัติเป็นการส่วนตัวตลอดเวลาในวันหนึ่งมีพระหลายองค์กาลังนั่งอยู่ข้างๆสมเด็จ จึงถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าเธอเข้าไปอยู่ในป่าไม่มีตำราจะหาธรรมะที่ถูกต้องได้อย่างไรพระอาจารย์มั่นตอบโดยไม่ต้องคิดว่าธรรมะนั้นมีอยู่ทุกยอมย่าสำหรับผู้มีปัญญาสมเด็จได้อุทานขึ้นว่าจริงๆและขอให้ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายต่อไปว่าที่ว่าธรรมะมีทุกยอมย่าสาหรับผู้มีปัญญานั้น หมายความว่าอย่างไรท่านได้อธิบายว่าจิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นจะมองดูอะไรก็เป็นนิยายนิธรรมทั้งสิน้นส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้องปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิดแม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผลยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไป ส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้องแม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎกแต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรมะเป็นยอดพระไตรปิฎกได้ยกตัวอย่างเช่นสังกิต จ, จะสมมเนนไปบินทบาทเห็นเข้าไถนาเห็นเข้าไขน้ำนำเอามาเป็นอุบายจนเกิดปัญญาแล้วท่านก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เพราะเหตุที่ท่าน ได้นําเอาดินที่ชาวนากําลังไถมาเป็นอุบายว่าดินไม่มีใจทําไมเขาจึงนําเอาไปตามประสงค์ได้น้ําไม่มีใจทําไมเขาจึงทําเอาตามประสงค์ได้เรามีใจทําไมไม่ทําใจให้เป็นไปตามประสงค์เพราะเหตุ น, นั้นธรรมะจึงมีอยู่ทุกย่อมย่าไม่ใช่หรือ เป็นนั้นว่าท่านมาอยู่วัดบรมนิวาสชั่วขณะหนึ่งก็ยังได้ทําประโยชน์แนะนําธรรมปฏิบัติแก่พระภิกษุสมเนีนอุบาสกอุบาสิกาตามสมควรแล้วท่านก็เดินทางต่อไปและได้แวะจังหวัดนครราชสีมาพักอยู่วัดสารวันขณะนั้นพระอาจารย์สิงห์เป็นเจ้าอาวาสอยู่และพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมก็เป็นสิทธิขั้นพระเทระเป็นสิทธิรุ่นแรกของท่าน เมื่อพระอาจารย์มั่นมาเยี่ยมคราวนั้นก็มีความดีใจมากกับทั้งพระเทระอื่นๆทั้งพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรเป็นต้นก็ยังอยู่ที่นั้นเป็นโอกาสที่ท่านจะได้แสดงธรรมอันเป็นส่วนของการแก้ไขจิตทั้งพระเทระทั้งหลายก็สนใจที่จะฟังเพื่อการดำเนินปฏิปทาอันถูกต้องขณะนั้นผู้เขียนยังอยู่จังหวัดจันทบุรี เมื่อพระอาจารย์มั่นได้พักอยู่ที่วัดสารวันชั่วระยะหนึ่งแล้วและได้สถิตธรรมส่วนลึกอันเป็นธรรมะสำคัญไว้เพื่อการให้ความคิดของท่านพระเทราทั้งหลายจนมีความคิดว่าจะต้องติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปแต่ขณะนั้นท่านพระเทราทั้งหลายก็ยังต้องอยู่เพื่อรักษาศรัทธาของประชาชนไปพลางก่อนแต่ปรากฏว่าบรรดาพระอาจารย์ทั้งหลายในการต่อไป มาได้ตามท่านพระอาจารย์มั่นมาเป็นส่วนมากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีได้จัดเสนาสนทาถวายท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อจำพรรษาที่วัดป่าโนนิเวศ ท, ท่านก็ได้พักจำพรรษาที่วัดป่าโนนิเวศในพุทธศักราช2483ถึงพุทธศักราช2484 ครั้งนี้ก็เป็นการเปิดเผยตัวของท่านพระอาจารย์มั่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากท่านได้ปลีกตัวอยู่ในถ้ำภูเขาซ่อนเร้นเพื่อสมณธรรมอยู่เชียงใหม่เชียงรายเป็นเวลาถึง12ปีที่ได้กล่าวว่าท่านได้เปิดเผยตัวนั้นก็คือท่านจำพรรษาอยู่ใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรทั้งหลายเข้าศึกษาและปฏิบัติอยู่กับท่านได้และท่านก็อบรมและให้โอวาดแนะนํา และแก้ไขปฏิปฏาทาต่างๆทั้งภายนอกและภายในให้ยังไม่อั้นเป็นเหตุให้พระภิกษุสมเนรผู้สนใจในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ได้ทราบข่าวอันเป็นมงคล น, นี้อย่างรวดเร็วพระเล็กเนร น, น้อยและพระเทรานุเทระจึงหลั่งไหลกันเข้ามามอบตัวเป็นศิษย์เป็นอันมากแม้ผู้เขียนได้สนับข่าวอันเป็นมงคล น, นี้เช่นกันมีความกระตือรือร้น อยากที่จะมาหาท่านให้จงได้แต่พระอาจารย์กงมาผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ายัางไม่ให้โอกาสเพราะขณะนั้นท่านยังสร้างวัดทรายงามบ้านหนองบัวจังหวัดจันทบุรีอยู่ท่านก็บอกว่าจะพาไปผู้เขียนก็พยายามทำความเพียรอย่างอุกฤ์ไม่หลับไม่นอนตลอดเวลาหลายเดือนเพื่อเร่งความเพียรเพื่อจะได้ศึกษาต่อกับพระอาจารย์มั่น จนเมื่อพุทธศักราช2484ผู้เขียนก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและก็ได้ทำการรบเร้าพระอาจารย์กงมาเพื่อให้นำไปหาพระอาจารย์มั่นให้ได้ปีนี้ออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์กงมาก็ได้พาผู้เขียนเดินทุดงจากจังหวัดจันทบุรีผ่านพระตะบองจังหวัดมงคลบุรีศีโสพลตัดขึ้นไปอรัญญาประเทศ และข้ามภูเขาไปที่ถ้ำหัวแดงผ่านอำเภอรกระโทตกเข้าจังหวัดนครราชสีมาต่อไปถึงจังหวัดคอนแก่นอุดรแล้วก็ตรงไปจังหวัดสกลนครพบกับท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านโคกตำบลตองโขกอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระอาจารย์กรงมาผู้เป็นอาจารย์ของผู้เขียน องคพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระกลับภาคอีสานพุทธศักราช2485ถึง2487จำพรรษาบ้านโคกพุทธศักราช2487จำพรรษาบ้านนามนพุทธศักราช2488ถึง2492จำพรรษาบ้านหนองผือ จากนี้ไปเป็นการที่ผู้เขียนได้ประสบความเป็นไปต่างๆของพระอาจารย์มั่นด้วยตนเองหลังจากได้รับคาบอกเล่าจากท่านและสารุสิ์ของท่านและได้เขียนไปตามที่ทราบมาก็นับว่าพอจะให้ความรู้และความเข้าใจตามความเป็นจริงแก่ท่านผู้สนใจในประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์มั่นพอสมควรจะอย่างไรก็ตามขณะที่ผู้เขียนกาลังนั่งตาห ม, มากและรินน้าชาถวายท่าน พร้อมกับได้ฟังเรื่องของเชียงใหม่จนจุใจก็นับว่าเป็นกุศลจิตที่ได้มาพบท่านผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องจากการเล่าความเป็นมาหรือประวัติของท่านเองนั้นโดยมากท่านก็ไม่ใกล้จะเล่าให้ใครฟังเท่าไรนักท่านแสดงธรรมอนลึกซึ้งนั้นมากกว่าแต่การที่ท่านจะเล่าถึงความเป็นไปต่างๆของท่านนั้นก็ต่อเมื่อถูกรบเร้าจากลูกศิษย์ผู้ต้องการจะทราบความเป็นมาของท่านบ้างเท่านั้น ในขณะที่ท่านอยู่เสนาสนาป่าบ้านโคกนามนเป็นเวลาสามปีแล้วท่านก็ได้ปรารถนาที่จะย้ายไปอยู่ที่บ้านหนองผือตําบลนาใ น, านาอําเภอพันานานิคมซึ่งเป็นการเตรียมงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ท่านจะไปคราวนี้เพราะขณะนี้มีพระอาจารย์ใหญ่ๆที่เป็นสิทธิของท่านได้มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อข่าวการเคลื่อนย้ายแพร่อ อ, อกไป ทุกๆ ท, ท่านก็รีบเข้าประชุมเพื่อจะได้ติดตามท่านไปการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางโดยเท้าอีกครั้งหนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเตระซึ่งเป็นการเดินทุดงครั้งสุดท้ายแต่เป็นความกรุณาอย่างยิ่งของท่านแก่ผู้เขียนในการครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งคือท่านได้แวะพักที่บ้านห้วยแขนอยู่ระยะหนึ่งเดินกว่า บ้านนี้เป็นบ้านของพวกทรงอยู่ตามชายเขาภูพานผู้เขียนได้ไปอยู่กับพวกเขาหลายเดือนโดยแนะนําธรรมะต่างๆจนเขาเกิดความเลื่อมใสามากขณะที่ท่านพักอยู่ที่ป่าใกล้บ้านแห่งนี้ผู้เขียนได้พักอยู่กับท่านและพระอื่นๆสองสารูปทําให้ชาวบ้านแถวนั้นยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ชาวบ้านเหล่านั้นได้รับรสพระธรรมจากผู้เขียน ที่ได้ไปวางรากฐานการปฏิบัติไว้ก่อนแล้วเมื่อได้กำหนดที่เดินทางต่อไปอยังบ้านน้องผือพระเทรานุเทระได้ทราบข่าวการเดินทางก็ได้เตรียมตัวที่จะติดตามไปในระยะใกล้บ้างห่างบ้างหนทางลัดที่จะไปบ้านน้องผือนั้นจะต้องเดินตัดดงไปทางบ้านห้วยกับแก้ผ่านไปทางบ้านกุดหยบ้านกุดบากบ้านผักอีเลศ การเดินทางครั้งนี้เดินวันเดียวไม่ถึงจึงต้องค้างคืนกลางทางทั้งการเดินทางก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรถือว่าค่ําไหนนอนนั่นตามสบายส่วนพระเทรานุเทระผู้ติดตามนั้นก็หาที่พักที่มีหมู่บ้านอยู่ห่างๆออกไปเพราะถ้ารวมกันอยู่เป็นหมู่ก็จะลําบากด้วยอาหารบินทบาดส่วนผู้เขียนก็ได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระไปตลอดทาง เมื่อถึงบ้านพักอีเลิรเป็นเวลาเย็นมากแล้วท่านจึงสั่งให้พักอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านแถวๆนี้เป็นชาวบ้านป่าทำมาหากินด้วยการทำไร่ทางป่าบ้านไม่ค่อยเป็นหลักฐานเท่าไหร่สถานที่เป็นภูเขาแต่ก็ไม่สูงนักส่วนต้นไม้เท่าที่สังเกตดูเป็นไม้เต่งรังไม้แดงไม้มะข่ามงเป็นส่วนมากบางแห่งเป็นต้นตีเตีย แต่บางแห่งก็เป็นดงต้นไม้สูงสูงเป็นดงทึบมองแทบไม่เห็นดวงอาทิตย์การเดินครั้งนี้เป็นการขึ้นลงภูเขาไปด้วยจึงทำให้ล่าช้าในการเดินทางผู้เขียนจำได้ว่าการเดินทางของท่านพระอาจารย์มานในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านในการเดินทางไกลข้ามภูเขาแต่ตามที่สังเกตการเดินทางของท่านแล้ว ซึ่งขณะนี้ท่านมีอายุได้เจหปีแล้วก็ยังเดินอย่างกระฉับกระเฉงว่องไวเดินไปได้อย่างสบายผู้เขียนก็ได้เดินตามท่านไปอย่างใกล้ชิดตลอดทางภูเขาที่เดินผ่านไปนั้นเรียกว่าภูพานโดยส่วนมากจะเป็นภูเขาหินทรายม่ใช่หินปูนเหมือนแถบลบบุรีจึงทำให้คนอยู่ได้อย่างสบายไม่มีการแพ้ จะเป็นภูเขาหินปูนคนอยู่แล้วจะเกิดอาการแพ้เกิดโรคภัยต่างๆจึงปรากฏว่ามีผู้คนอาศัยธรรมหากินอยู่เป็นอันมากแต่ก็เป็นชาวเขาแทบทั้งนั้นเขาเรียกผู้คนในแถวนี้ว่าเหล่าโซงโซขาและหลา่าภูไทยและทุกๆคนชาวเขาเหล่านี้เรื่อมใสพระพุทธศาสนากันทั้งนั้นมีการทาบุญตักบาตร สร้างวัดบางอารามเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปแต่ยังขาดการศึกษาเท่านั้นเพราะไม่มีโรงเรียนจึงทำให้มีอะไรหลายอย่างที่ควรจะดีกว่านี้แต่ไม่สามารถจะทำได้การศึกษาจึงมีความสำคัญแก่มนุษยชาติตั้งแต่ดึกดำบันจนกระทั่งบัดนี้เมื่อได้พักค้างคืนที่ข้างๆหมู่บ้านพักอีเลศ แล้วการเดินทางไปบ้านหนองผือก็ไม่ไกลเท่าไหร่วันนั้นหลังจากทัานพัตนาหารเช้าแล้วท่านก็พักผ่อนพอสมควรบ่ายแล้วจึงออกเดินทางถึงบ้านหนองผือประมาณห้าโมงเย็นเจ้าบ้า น, ท า, นทางนี้ทราบข่าวการมาของท่านพระอาจารย์มั่นก่อนแล้วจึงพร้อมด้วยพระเทระบางรูปผู้สันทั์ในการจัดเสนาสนะได้ขอให้ความสะดวกแก่ท่านและพระติดตาม ในบริเวณวัดหนองผือนี้เป็นโดงมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมครึม้มทําให้อากาศถ่ายเทลําบากจึงเป็นแหล่งที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งคือต้องทําความเพียรให้มากนอนมากไม่ได้อาจจะถึงล้มป่วยและตายได้ซึ่งปรากฏว่าผู้ที่มาหาท่านอาจารย์ได้ป่วยและมรณภาพไปหลายรูปครั้นเมื่อท่านไปถึงและบอกแก่ศานุสิทธิญาติโยมว่า จะอยู่จาพรรษาที่นี่ทั้งญาติโยมและพระก็ช่วยกันจัดการซ่อมแซมเสนาสนะซึ่งมุงได้ยาคามาแต่เดิมผุพังไปเป็นส่วนมากที่ต้องซ่อมแซมให้ไว้ได้มากนั้นเพราะพระภิกษุสมณเนมีความประสงค์จะเข้ามาอยู่กับท่านทั่วสารทิศเมื่อการออกพรรษาก็จะเดินทางมาศึกษาธรรมกับท่านตลอดเวลาชุดนั้นออกชุดนี้เข้าเป็นประจาอยู่อย่างนี้ ผู้เขียนเองขณะนี้ก็ได้จากท่านไปอยู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งก็ได้มาอยู่กับท่านตอนออกพรรษาเป็นเวลาห ล, หลายเดือนทุกๆปีจนถึงปีสุดท้ายความจริงภูมิประเทศของบ้านหนองผืนนี้เป็นที่เหมาะแก่การทำความเพียรมากเพราะเป็นที่ไกลต่อการคมนาคมผู้ที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนี้ ต้องเดินทางจากถนนใหญ่สถึงสชั่วโมงจึงจะถึงถ้าจะไปอีกทางหนึ่งก็คือทางเกวียนเป็นทางอ้อมมากต้องใช้เวลาถึงแปชั่วโมงกว่าจึงถึงแสดงว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านเลือกภูมิประเทศที่ไม่ให้ผู้คนมารบกวนท่านซึ่งไม่เหมือนกับปัจจุบันผู้เป็นอาจารย์ทั้งหลายแม้เมื่อไปอยู่ในถ้ำภูเขายัางอุตส่าห์ตัดถนนให้รถยนต์เข้าไปถึง เพื่อให้ผู้คนสัญจรสะดวกเมื่อคนไปหามากก็บ่นว่ายุง่งไม่ทราบว่าจะบ่นทำไมในเมื่อท่านเองก็ชอบจะให้เขาเข้าไปหาถึงตัดถนนให้ความสะดวกแก่ชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่เหมือนกับท่านพระอาจารย์มัน่นผู้เป็นพระประมาจารย์เลยเพราะเมื่อท่านอยู่บ้านโคกนามนท่านบ่นว่าใกล้ทางรถยนต์คนมาสะดวกทำให้ยุง่งเราจะสอนพระภิกษุสมเณร โยมก็มาวุ่นเสื้อเรื่อยทำให้เสียจังหวะไม่ได้ผลเท่าที่ควรท่านจึงหาทางหลบไปที่อื่นและได้บ้านหนองผือเป็นสับปายะตอนนี้จะขอพูดถึงบริเวณบ้านหนองผือเพื่อให้ผู้อ่านที่ยังไม่เคยไปจะได้ทราบถึงสถานที่แห่งนี้ว่าเพราะเหตุใดท่านพระอาจารย์มั่นจึงจำพรรษาอยู่ที่นี่ถึงห้าปี บ้านหนองผือนี้เอาน้ำของหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นผือหรือต้นปลือเป็นต้นไม้สำหรับทอเสือเหมือนกับชาวจันทบุรีทอเสือกกนั่นเองบ้านหนองผือนี้อยู่ในแอ่งของภูเขามีภูเขาล้อมรอบอยู่ทุกด้านในขณะ ท, ที่เราเดินทางเข้ามาและยืนอยู่บนภูเขาแล้วและลงมาดูบ้านหนองผือจะเห็นเป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะก่อนเข้าถึงหมู่บ้าน ก็จะพบลำธาร น, น้ําเล็กๆไหลผ่านเม่ขาดสายอยู่แห่งหนึ่งเสก่อนและข้างลำธารก็มีหินก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างเรียงรายกันอยู่เข้าไปถึงกลางลำธารเป็นหินมีหลังนั่งพิงสบายโดยเฉพาะผู้เดินทางจากบ้านหนองผือไปที่อำเภอพนนิคมออกเดินทางแต่เช้าจะต้องมาหยุดรับประทานอาหารกันที่นี่แม้ข้าพเจ้าเองก็เคยมาฉันอาหารเช้าที่นี่หลายหนโดยนั่งฉันบนหินมีหลัง มีน้ำใส่ร่มเย็นนั่งชันสบายแต่เมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วก็จะไม่ทราบเลยว่ามีหมู่บ้านน้องผือมีลักษณะเป็นแองเป็นก้นกระทะเพราะพื้นที่เป็นที่ราบกว้างเหมาะแก่การทำไร่ทำนาเมื่อเพาะปลูกอะไรลงไปแล้วก็งอกงามดีทั้งนั้นซึ่งจะสังเกตได้ในวัดปลูกต้นกล้วยมะม่วงมะละกอขุ้นนินมะพร้าว ทุกอย่างงอกงามมีใบสดเขียวจะอุ่มการทำนาดีมากเหลืออยู่เหลือกินมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งเป็นที่อาศัยท ร, รมาหากินของชาวบ้านหนองผืนนี้คือแม่น้ำอุ่นมีต้นไม้ไผ่ติดต่อกันไปตามลำคลองการสร้างที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเป็นแบบโบราณธรรมดามุงหญ้าคนรวยก็มุงกระดานอาหารหลักคือการรับประทานข้าวเหนียวล้วน เจ้าบ้านเป็นคนภูไทยมีหมู่บ้านประมาณ75หลังคาเรือนอาชีพมีการทำไร่กันเป็นพื้นโดยเฉพาะไร่ฝ้ายพริกยาสูบ ป, ป้ายนำเอามาปั่นเองถอเป็นเสื้อผ้าจนเหลือใช้อาหารก็เป็นอาหารธรรมชาติไม่ต้องพึ่งพาที่อื่นมีการเป็นอยู่ด้วยความสงบสถานที่เป็นดงทึบจึงเกิดมีไข้ามาลาเรียชุกชุม ปีหนึ่งหนึ่งทำให้คนตายเพราะมาลาเรียไม่น้อยประวัตินี้กล่าวตอนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเทระยังมีชีวิตอยู่วัดป่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านข้างทุ่งนาเดินลำบากชาวบ้านจึงได้ทำสะพานข้ามจากท้ายบ้านมาถึงวัดวัดนี้ท่านอาจารย์หลุยเป็นผู้มาเริ่มต้นก่อสร้างไว้ ก่อนหน้าท่านพระอาจารย์มั่นมาอยู่ประมาณสิบปีที่ตั้งวัดเป็นเนินสูงกว่าบ้านโดยมีทุ่งนาเป็นเขตกั้นระหว่างบ้านกับวัดในสถานที่อันเป็นที่ตั้งของวัดและบ้านบางครั้งก็ขุดค้นพบวัตถุโบราณอันแสดงว่าเดิมเคยเป็นหมู่บ้านมาแต่โบราณกาลที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ราบมีต้นไม้ใหญ่เพราะเป็นดงดิบมีเนื้อที่ประมาณสิบไร่ ทางด้านตะวันออกเป็นดงไม้ดิบติดต่อกันไปการสร้างกุฏิก็สร้างเป็นหลังๆอยู่เฉพาะองค์เฉพาะองค์ตามธรรมเนียมของวัดป่ามีศาลาสวดมนต์ศาลาหอฉันสถานที่สุ ข, ขาหลุมเทอยากเยื่อบ่อ น, น้ำใช้และฉันสะอาดดีเนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่สงัดการพิขาจาร์ก็ไม่ไกลนักประชาชนมีศรัทธาดีมาก ขณะนี้ท่านพระอาจารย์มั่นก็มีวัยชราภาพมากแล้วอายุเจบหปีจึงพักอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลาถึงห้าปีเมื่อเป็นเช่นนี้พระภิกษุสมเณรผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมะกรรมฐานก็ได้หลั่งไหลเข้ามาโดยไม่ขาดสายเป็นเหตุให้เสนาสนะที่อยู่ในวัดนี้มีไม่เพียงพอจึงพา ก, กันออกไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ไกลนักอันเป็นที่พักพอที่จะเจริญสมณธรรมได้ และสำนักที่พอสมควรที่ตั้งอยู่ใกล้วัดป่าหนองผือก็มีหนึ่งวัดนาในสองวัดโคกมะนาวสห้วยบุญ 4. บ้านอุนโคกหบ้านผักอีเลิด 6. บ้านดงบากที่ซึ่งท่านแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆเหล่านี้จะมารวมกันทำอุโบสถคือฟังปาติโมกที่วัดป่าหนองผือกันทั้งนั้นเพราะเมื่อถึงวันอุโบสถ ท่านพระอาจารย์มั่นก็จะได้ให้โอวาทหลังจากทาอุโบสถเสร็จแล้วโดยการชี้แนวทางในทางธรรมะข้อปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินจิตทุกๆคราวไปส่วนท่านที่อยู่ใกล้พอสมควรก็จะมาฟังธรรมได้สะดวกในเวลากลางคืนซึ่งก็ได้มาแทบทุกๆคืนได้ฟังธรรมะปะกินกะมีนัยยะต่างๆแล้วก็กลับไป นับว่าเป็นความอุตสาหะวิริยะอย่างยอดเยี่ยมของท่านเหล่านี้พระเทระภิกษุสามเณรทั้งหลายที่อยู่โดยรอบใกล้บ้างไกลบ้างเหล่านี้จะคอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าพระเทระผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลและเป็นผู้มีจิตเป็นไปในธรรมะอันละเอียดซึ่งท่านเหล่านั้นจะได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์มั่นภูริ ท, ตทรัตเตระ เนื่องจากว่าพระเทระรูปใดเป็นผู้มีความสำคัญในทางปฏิบัติและเป็นผู้มีความหนักแน่นมีสมรรถนะและความสามารถสูงมีการดำเนินทางจิตที่ถูกต้องมีความเมตตาต่อมูคณนะท่านจะต้องกล่าวถึงพระเทระรูปนั้นๆในท่าำกลางสงหรือกล่าวกับผู้ปฏิบัติใกล้ชิดอยู่เสมอว่าท่านองนั้นองนี้ดีมากหากใครต้องการจะปฏิบัต ก็ให้ติดตามองนั้นไปเถิดจะเกิดผลอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่พวกเราและพระเทระรุ่นใหม่จะต้องทราบถึงความดีของพระเทระ่รุ่นเก่าๆว่าท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมด้วยเหตุนี้เมื่อพวกได้ข่าวว่าพระเทระองที่มีความสาคัญมาแต่ไกลท่านพระอาจารย์มั่นก็จะแสดงธรรมอย่างวิจิต หรือเรียกว่าธรรมกถากันใหญ่เพราะเหตุที่พระเทระเหล่านั้นจะได้ไต่ถามอหถปัญหาท่านพระอาจารย์มั่นก็จะได้วิสชนาและแสดงธรรมไปพร้อมซึ่งการเช่นนี้หาฟังได้ยากนักจึงทำให้พวกเราต้องตั้งใจคอยเพื่อให้มีให้เกิดมหาธรรมกถาจึงปรากฏว่าเมื่อถึงการเช่นนี้ จะปรากฏมีพระภิกษุสมณีนพระเทรานุเทระมากันมากเป็นพิเศษจนเต็มไปหมดไม่ทราบว่าออกมาจากป่าจากเขาจากถ้ำจากที่ไหนๆกันนักตอนพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระจำพรรษาเสนาสนะป่าบ้านหนองผือ เรื่องจากพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาเป็นหลักแหล่งที่บ้านของผือนี่นานถึงหพรรษาจึงทำให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอันหนึ่งกิติศัพท์ของท่านได้ปรากฏมานานแม้ผู้เขียนมีอายุเพียง13ปีก็ได้ทราบข่าวแล้วแต่ก่อนนั้นท่านมิได้จำพรรษาซ้ำเป็นปีที่สองเลยสักแห่งเดียวถึงจะจาพรรษาอยู่ที่เดิมบ้างก็ต้องไปที่อื่นมาก่อนแล้วจึงหวนกลับมา โดยปกติท่านจะอยู่จำพรรษาในป่าดงพงไพรในภูเขาเถื่อนถ้ำเป็นส่วนมากจึงเป็นเหตุให้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติศึกษาด้วยต้องเที่ยวตามสแสวงหาท่านแสนยากแสนลำบากและแสนชะกันดาลเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นที่สามารถจะติดตามศึกษาหาข้อปฏิบัติได้โดยใกล้ชิดส่วนอุบาสกอุบาสิกานั้นยากนักที่จะตามเห็น เว้นแต่จะได้ศึกษาข้ออัต ธ, ธรรมเป็นครั้งเป็นคราวในเวลาอยู่จำพรรษาเท่านั้นเหตุนั้นเมื่อท่านองค์ใดได้ติดตามศึกษาปฏิบัติอยู่กับท่านก็ได้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในอันที่จะได้สั่งสอนประชาชนให้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติเป็นตัวอย่างเป็นอาจารย์เป็นผู้น่าเคารพเลื่อมใสยอย่างยิ่งแม้ผู้เขียนเองเคยได้ยินกิตติศัพท์มาตั้งแต่อายุ13ปี จนถึงอายุ23ปีจึงได้พบและปฏิบัติอยู่กับท่านครั้งประชาชนได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์มั่นภูริทะัตะเทระได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือเป็นหลักแหล่งเช่นนี้แล้วคณะพระภิกษุสา ม, มนเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เคยเป็นศิษย์ท่านมาแต่เดิมและที่เพิ่งได้รับฟังกิตติศัพท์ใหม่ก็มิได้รอรัง ต่างก็เข้ามาศึกษาหาข้อปฏิบัติฟังธรรมเทศนามีบ้างก็พากันมาบำเพ็ญทานทั้งทางไกลและทางใกล้ทั้งทางใต้และภาคเหนือต่างก็ทยอยกันเข้ามานมัสการทุกๆวันไม่ขาดสายบรรดาท่านที่เข้ามานั้นในปีหนึ่งหนึ่งมีประมาณไม่น้อยเลยมากันแทบทุกวันทั้งทั้งที่ถนนหนทางก็ไม่สะดวกสาที่จะกันดาน และอากาศก็ไม่เชลเลนใครๆที่เข้ามาต้องระวังตัวมากถ้าพลาดพลั้งก็รักษาตัวกันไม่ไหวเพราะเคยปรากฏว่าผู้ที่เข้ามานมัสการพักอยู่กับท่านเกิดอาการแพ้อากาศเจ็บป่วยล้มตายไปทั้งพระทั้งเนรและญาติโยมก็หลายคนถึงแม้การจะเป็นเช่นนั้นทุกๆคนก็หามีความท้อถอยไม่เพราะต้องการฟังธรรมะอันวิจิตของท่าน จึงยอมสละชีวิตเข้ามาหาท่านอย่างน่าอัศจรรย์แม้ข้าพเจ้าเองจากท่านไปอยู่จันทบุรีก็ได้เดินทางมาอยู่กับท่านเพียงแต่ในพรรษาเท่านั้นออกพรรษาก็รีบมาพอใกล้เข้าพรรษาก็กลับจันทบุรีเช่นนี้ทุกๆปีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายการจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผืนนี้ ตลอดระยะเวลาห้าพันษาท่านก็ได้พยายามชี้แจงธรรมาต่างๆแกบ่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายตลอดเวลาท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้มีกำลังวังชาดีเดินไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วอันหนึ่งขณะที่ท่านอยู่ที่วัดป่านี้ท่านได้แสดงธรรมอันเป็นส่วนข้อปฏิบัติมากที่สุดมิได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเลยเมื่อผู้ใดเข้ามาหาท่านก็แสดงธรรมให้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นพระเล็กเนนน้อยตลอดถึงพระเทระผู้ใหญ่บางครั้งเป็นวันวิสาขาบูชามาขะบูชาท่านได้แสดงผู้เดียวจนถึงเที่ยงคืนการแสดงธรรมก็เป็นไปวิจิตพิสดารมีอัทธรสแห่งข้อปฏิบัติสํานวนไพเราะมากซึ่งบางแห่งบางข้อข้าพเจ้าได้เคยบันทึกไว้ในหนังสือมุตโตไทยเป็นที่เข้าอกเข้าใจแก่บรรดาสารุิ บางองค์ถึงกระบนว่าเราไปภาวนาตั้งเดือนสู่ฝั่งเทศท่านอาจารย์ครั้งเดียวก็ไม่ได้เช่นนี้ก็มีมากอันหนึ่งท่านได้พยายามสั่งสอนสานุติสิทธ์ทั้งหลายโดยทุกวิถีทางทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อหวังให้สิทธ์ทั้งหลายได้เข้าใจในปฏิปทาข้อปฏิบัติและท่านก็ได้เลือกเฟ้นเอาธรรมะทั้งหลายตลอดทั้งแนแนวทาง ให้แก่บรรดาสิทธิ์มากมายด้วยอุบายต่างๆโดยมุ่งหมายที่จะพาให้ดําเนินสู่ทางอันบริสุทธิ์รงต่อพุทธพจน์จริงๆในการที่ท่านอยู่ที่วัดบ้านหนองผือนี้มีความประสงค์เพื่อให้บรรดาสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ใหม่เข้ามาศึกษาเป็นการเปิดโอกาสแก่บรรดาพระภิกษุสามนเณรและเพื่อให้เข้าใจในธรรมะยิ่งยิ่งขึ้น กับทั้งการแสดงธรรมนั้นยังความชื่นชมและแก้ความสงสัยให้อย่างไม่มีข้อแยง้งซึ่งคล้ายกับว่าท่านจะรู้จักการแห่งสังขารธรรมจากอยู่ไปไม่ได้นานใครจะสอนใแก่บรรดาสิทธิ์เป็นผู้เข้าใจในธรรมะอันควรที่จะพึงรู้พึงเข้าใจสืบแทนท่านให้เป็นหลักฐานแก่คณะกรรมฐานต่อไป กฎการปฏิบัติประจำข้อปฏิบัติอันเป็นอาจินวัตของท่านนั้นเป็นไปโดยสม่ำเสมอขณะ น, นี้ท่านชราภาพมากแล้วแม้ปฏิปทาจะเพลากว่าเดิมไปบ้างก็ยังปรากฏว่าเป็นที่น่าเคารพและเลื่อมใสดังที่ผู้เขียนเคยอยู่และเคยเห็นมาจะเล่าสู่กันฟังโดยยอ่อพอเป็นคติแก่อนุสิต ต, ต่อไป ก่อนออกบินธบาตตอนเช้าต้องเข้าสู่ที่จงกรมก่อนและก่อนที่จะไปบินธบาตขณะที่ท่านจงกรมอยู่สิทธ์ทั้งหลายต่างพากันทาวัดปฏิบัติต่างๆมีการเก็บบาตรกว่าสถานที่เทกระโถนเก็บอาสนะไปปูยังโรงชั้นและเตรียมคลี่สังฆิไว้รอท่านเพราะตามธรรมดาแล้วการซ้อนภาสังฆิเข้าสู่โครจรก้ามนั้นไม่เคยขาดเลยเว้นแต่จะมีฝนตกใหญ่เท่านั้น เมื่อท่านเดินจงกรมจนถึงเวลาที่ออกเที่ยวบินทบาตแล้วก็ลงจากที่จงกรมไปสู่โรงชั้นสิทธ์ทั้งหลายก็ถวายผ้าสังคติช่วยคลองกลัดลูกดุมรางดุมทั้งข้างล่างและข้างบนแล้วเข้าไปสู่บ้านผู้ถือบาดไปก่อนโดยไปรอที่นอกอุปจาระบ้านอุปจาระในที่นี้เป็นคำนามหมายถึงการเข้าใกล้ที่ใกล้บริเวณรอบ เมื่อท่านไปถึงก็รับเอาบาดสิทธ์ก็ตามเข้าไปเป็นแถวตามลำดับอาวุโสมี 10, 20, 30ถึง 50, 60องค์และเป็นแถวยาวเหยียดตอนขากลับสิทธ์ก็รับเอาบาดล่วงหน้ามาจัดการแก้ถลกบาดเตรียมรอไว้โดยเรียบร้อยการบินถบาทใช้สะพายอุ้มบาดไว้ข้างหน้าซึ่งไม่ผิดอะไรกับการอุ้มบาดซึ่งท่านอาจาร ย, าย์ใหญ่ ได้นามาใช้ปฏิบัติในคณะกรรมฐานและคณะกรรมฐานทั้งหมดจึงได้กระทาเหมือนท่านด้วยกันทั้งนั้นครั้นเมื่อท่านมาถึงวัดแล้วพวกสิทธิ์ก็เตรียมรับผ้าสังฆติเอาออกพึ่งแสงแดดพอสมควรแล้วก็เก็บไว้เป็นที่การฉันก็รวมลงในบาทกันทั้งนั้นข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นท่านเอาอาหารไว้ภายนอกบาทเลย เว้นแต่เมื่อคราวล้มป่วยครั้งสุดท้ายเท่านั้นแม้การไปบินธบาตท่านก็ไม่ยอมขาดได้ง่ายๆเว้นแต่ว่าไปไม่ได้จริงๆซึ่งตามธรรมดาเมื่อสุขภาพและกำลังของท่านยังดีอยู่แต่หากท่านป่วยอาพาธแล้วท่านมักจะระ ง, งับด้วยการไม่ฉันจังหันและไม่ออกบินธบาตประกอบความเพียรบางครั้งถึงสาวันก็มีพอโรคระ ง, งับแล้วจึงค่อยฉันต่อไป ท่านเคยพูดว่าการเที่ยวบิณธบาติโปรดสัสตว์นั้นแม้แต่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเสด็จไปแล้พระอริยะเจ้าผู้สาวกก็ไปบินธบาตเราผู้สาวกภายหลังจะไม่ไปบินธบาตก็เท่ากับดีกว่าพระพุทธเจ้าผู้บรมศาสดาซึ่งก็เท่ากับว่าดีเกินครูไปเท่านั้นหมายความว่านอกครู เมื่อคราวท่านอาพาธครั้งสุดท้ายนั้นเมื่อเข้าบินทบาทตลอดบ้านไม่ได้ก็ไปเยี่ยมครึ่งบ้านเมื่อเข้าไปบ้านไม่ไหวท่านก็ไปสุดเขตวัดและเมื่อไปสุดเขตวัดไม่ไหวก็ไปแค่ศาลาโรงฉันเมื่อไปบินทบาตถึงศาลาไม่ไหวจริงๆจึงงดบินทบาตจนถึงวาระสุดท้ายอันเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่อย่างยิ่ง ในข้อวัดปฏิบัติของท่านในการออกบิณฑบาตเป็นวัดอันหนึ่งการชั้นนั้นรวมชั้นแห่งเดียวกันหมดเมื่อจัดอาหารใส่บาตรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็นําพิจารณาเป็นปัจจเวกณะบางครั้งก็เตือนเมื่อมีเสียงบางครั้งก็พิจารณาด้วย การจัดอาหารนั้นมีพระผู้แจกคือตักแจกไปตามลำดับจนกว่าจะหมดและเพียงพอพระที่แจกมีสองสาองค์เป็นพัตุเทศที่สงตั้งไว้